เรื่องพระอุทาีเถระได้ยินว่าพระอุทาีเถระรั้นเมื่อพระเถระผู้ใหญ่ลีไปแล้วพระอุทาญไปสู่โรงธรรมแลนั่งบนธรรมาฏภิกษุอาคันตุ ก, กะเห็นเข้าใจว่าเป็นมหาเถระผู้พหูสูตรจึงถามปัญหาปฏิสังยุตด้วยขันเป็นต้นละติเตียนว่าไม่รู้อยู่ซึ่งพุทธพจน์อะไรๆดิเถระอะไร อยู่ในพระวิหารเดียวกับพระพุทธเจ้ายังไม่รู้ธรรมแม้ศักวะขันอายตนะธาตุจึงเข้าไปเฝ้าพระสัสดาพระพุทธองค์ทรงตรัสถ้าคนพานไปนั่งใกล้บัณฑิตอยู่แม้จนตลอดชีวิตเขายอมไม่รู้ธรรมเหมือนทัพผีไม่รู้รสแกงฉะนั้นในการจบเทศนาจิตของพวกภิกษุอคันตุกะ หลุดพ้นแล้วจากอาสวะกิเลสทั้งหลายดังนี้แหละเรื่องภิกษุชาวเมืองปาถาความพิสดารว่าพระบรมศสดาทรงสแสดงธรรมคราวแรกในป่าชัดแห่งไร่ฝ้ายแก่สหาย30สคนผู้สแสวงหาหญิงอยู่คือกลุ่มพัทธวัคิยากุมา กำลังตามหายิงที่จ้างมาบำเรลอตนทั้ง30สิคนลักซับหนีไปในไร่ฝ้ายแล้วไปพบพระพุทธเจ้าในการนั้นสหายทั้ง30สคนถึงความเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือบรรลุโสดาปฏิพลแล้วขอบวชเป็นผู้ทรงบาตรและจีวร อ, อันสำเร็จด้วยฤทธิ์สมท า, านทุดงขวัด13าประพฤติอยู่โดยล่วงไปแห่งกาลนาน ต่อมาได้เข้าไปเฝ้าพระศัสดาอีกฟังอนามตตะธรรมเทศนาคือเรื่องสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นบทเดียวกันกับที่แสดงให้นางปตตาจาราฟังบรรลุพระอาหารหัดแล้วขณะนั่งฟังนั้นนั่นเองภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันว่าช่างน่าอัศ จ, จรรย์จิงหนอภิกษุเหล่านี้รู้แจ้งพระธรรมพันทีเดียวพระศ ส, สดาทรงตรัสว่า ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุเหล่านี้เป็นนักเลงเป็นสหายกัน30สบคนฟังธรรมเทศนาของมหาตุดิละในตุนดิละชาดกได้รู้แจ้งธรรมในฉัดพลันทีเดียวสมทานสินห้าแล้วพระอุปนิสัยของเขาเหล่านั้นจึงบรลุอรหัตในอาสนะที่ตนนั่งทีเดียวในบัดนี้จึงทรงตรัสพระคถาว่าถ้าปิยชนเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้ครู่เดียว เขาย่อมรู้แจ้งธรรมได้ฉับพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงฉะนั้นการเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตหมายถึงเรียนอยู่ฟังอยู่สอบสวนทบทวนความในสำนักของบัณฑิตผู้รู้นั้นชื่อว่าย่อมรู้แจ้งป ร, ริยสัตยธรรมเมื่อบัณฑิตบอกกรรมฐานแล้วเพียรพยายามอยู่ในข้อปฏิบัติเป็นบัณฑิตผู้รู้แจ้งธรรมโดยพลันทีเดียวเหมือนบุรุษ ผู้มีชิวหาประสาทอันโรคไม่กำจัดแล้วคือมีลิ้นรับรู้รสได้ปกติพอวางอาหารลงที่ปลายลิ้นเพื่อจะรู้รสย่อมรู้รสโดยพลันฉะนั้นในการจบเทศนาภิกษุเป็นอันมากบรรลุอรหัตแล้วดังนี้แหละหมมยเหตุทุตดงควะ13บสาคือธรรมะอันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสส3าข้อได้แก่เครื่องนุ่งห่มสอง คือใช้ผ้าสามผืนใช้แต่ผ้าบางสกุลเท่านั้นอาหารบินทบาทหคือบินทบาทเป็นวัดบินทบาตไปตามลำดับบ้านชันในบาทชันมือเดียวลงมือชันแล้วไม่รับอาหารเพิ่มเศนาสนะห้าคือมีอยู่ป่าอยู่คนไม้อยู่กลางแจ้งอยู่ป่าช้าหรือที่สุดแล้วแต่เขาจัดให้ความเพียรหนึ่ง คือเนซัตชิกังคะการไม่นอนเป็นวัดสำหรับทุดวงควะ1สิบสามข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ให้ภิกษุเลือกปฏิบัติได้ตามจริตวาสนานะครับคือเมื่อปฏิบัติข้อใดแล้วกุศลเจริญอกุศลไม่เจริญก็ให้ปฏิบัติข้อนั้นไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเหมือนกันหรือต้องทำเหมือนกันทุกคนนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนอดนอนแล้วเจริญในธรรม แต่บางคนอดนอนแล้วร่างกายสุดโทมเศร้าหมองเกิดความง่วงทั้งวันบางคนกินมื้อเดียวแล้วร่างกายเบาแต่บางคนต้องกินสองมื้อถึงจะมีแรงไม่หิวโหวยทั้งวันอะไรประมาณนี้นะครับจำพวกคอสปฏิบัติที่ชอบนําเด็กไปอดหลับอดนอนอดข้าวโดยไม่ได้ผ่านการฝึกล่วงหน้ามาก่อนบางทีก็ส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับโดยเฉพาะผู้มาใหม่จาเป็นต้องมีการฝึก ต้องเตรียมพร้อมงดละเลิกมาก่อนไม่อย่างนั้นไปปฏิบัติแค่ไม่กี่วันก็ได้เด็กความง่วงความหิวกลับมากลายเป็นว่ามองว่าศธรรมเป็นของยากและไม่อยากกลับไปปฏิบัติหรือไม่อยากแต่ต้องทำรรมาอีกเลยนะครับอนมามตคะปริยยสูตรเรื่องสงสารหรือสังสารวัฏที่วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วบุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อต้านทานได้มารดาบิดา ย, ย่อมไม่มีเพื่อต้านทานได้แม้พวกพ้องทั้งหลายก็ไม่มีเพื่อต้านทานการต้านทานย่อมหาไม่ได้ในหมู่ญาติบัณฑิตครันรู้ประโยชน์นี้แล้วพึงเป็นผู้สำรวมในศีลพึงรีบชำระหนทางไปสู่พระนิพพานโดยเร็วพลันสิ้นพุทธวจนะ นางปตาจารามีความเข้าใจทันทีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานางได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนปตาจาราผู้ที่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งคันห้าแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี แต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งคันห้านั้นในเวลาจบพระพุทธดำรัสภิกษุณีปตาจาราได้บรรลุอารหัตผลทันทีมีจิตหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ยิ่งแล้วพุทธพ ท, ธทิ้ง่ายเธออย่าเศร้าโศกเลยอย่ากล่าครวญเลยเราบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความพลัดพรากความทอดทิ้ง ความแปลเปลี่ยนจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะพึงหาอะไรได้จากที่ไหนในสังขารนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนสลายไปเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมคลายไปเลย